เลยใครอยากจะถามไหยจากแถวนี้มาจากที่ไหนกันครับมาจากที่ไหนแต่เคยมาครับเป่ะครับเคยมาครบป่ะอันนี้มาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกมาเพราะอะไรคุ้รู้จักที่นี่ได้ไหมอ๋อพอดีผมไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งครับท่านก็ศึกษาพระพุทธศาสนามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็ได้สนทนาทํากันแล้วก็รู้สึกสนใจครับ ท่านก็บองห่าลองหาอาจารย์สักท่านหนึ่งที่รูว่าเราศรัทธาแล้วก็ถูกข์ใจผมก็ลองเซิร์ชในอิอนเทอร์เน็ตดูดครับอแล้วก็ได้อาจารย์ก็ลองฟังดูแล้วก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็เรื่ อ, ใอมใสอจริงๆก็หาโอกาสมานาเพราะปกติผมไม่ค่อยมาผมมาที่ชมบุรีแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับ อก็วันนี้เป็นวันที่ผมป่วยพอดีแลลางานพอดีก็เลยได้มาพอดีครับพรงนี้ก็ต้องกลับเแ๋ยวทางทางบริษัทก็จะเห็นเราแบมน่าจะเรียบน่อยแลไม่เป็นไรยังไม่ลาเรามีสิทธิ์ลาได้ใช่เออแล้วเทาที่ศึกถามมามีอะไรที่ยังไม่ไม่กระจ่างบ้างไหมที่อยากจะ ถือว่าเป็นขั้นอนุบาลหนึ่งเลยครับเพิ่งเริ่มมาฤิ์เดียวเองครับยังยังยังไม่ได้เลยถึงมากก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้ลองลองสนใจแล้วก็อยากตั้งใจศึกษานะครับเราได้ลองปฏิบัติบ้างไหมอ๋อได้ลองได้ลองฝึกภาวนาดูครับฝึกดูจิตดูครับนั่งสมาธิครับเราได้ผลบ้างไหมอือรู้สึกว่าตัวเองเริ่ม เริ่มแบ่งแล้วก็เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างอืมที่เห็นเป็นเป็นร่างกายากับอะไรบางอย่างที่มันหมุนอยู่ข้างในครับซึ่งผมอธิบายไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกอะไรก็สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันครนะร่างกายเป็นคนที่เราใช้ ใช้งานสั่งงานให้ทำอะไรต่างๆส่วนเราเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นผู้สั่งเราจะมาที่นี่ได้เราก็ต้องสั่งให้ร่างกายมาผู้สั่งกับผู้มานี้ผู้ที่มานี้คนละคนกันคือร่างกายเราเราต้องใช้ร่างกายพาพาเรามาที่นี่แต่เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายมา ถ้าเราไม่สั่งร่างกายก็มาไม่ได้มาเองไม่ได้ถ้าไม่มีเราร่างกายก็ทําอะไรไม่ได้เราคือผู้รู้ผู้คิดนตอนนี้เรารู้ใช่ไหมเรากําลังรู้ เ, ออเนี่ยกาลังรู้เสียงนี่ก็เป็นเป็นเราเราเป็นผู้รู้รู้เสียงแต่ร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงร่างกายเป็นเหมือนเป็นเหมือนไมโครโฟนที่รับเสียงเข้าไป แเราก็ส่งไปให้ใจอีกทีนใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์ใจเป็นร่างทิพย์กายทิพย์เราก็รับเสียงจากทางร่างกายทางหูแล้วจากหูนี่ก็จะมีกระแสจิตมารับเสียงไปอีกทีตัวกระแสจิตที่มารับเสียงเราเรียกว่าวิญญาณพอเสียงเข้ากระทบกับหู วิญญาณก็ส่งเสียงนี้ไปให้กับจิตที่อยู่ในโลกทิพย์อยู่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วก็พอได้ยินเสียงจิตก็เอาไปคิดคิดว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ถ้าต้องการจะตอบกลับก็สั่งมาทางปากเช่นเถามว่าไปไหนมาเสียง จิตก็คิดว่าเราเขาถามว่าเราไปไหนมาเราก็ตอบเข้าไปก็สั่งให้ปากพูดว่าไปที่นั่นที่นี่มานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจที่ให้ศึกษาอย่างนี้เพื่อเราจะได้แยกตัวเราออกจากร่างกายได้เพราะตัวเราเป็นตัวใจอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเนี่ยแล้วเราจะได้เข้าใจต่อไป ถ้าเกิดเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ต้องไปหวาดกลัวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่เราควบคุมบังคับด้วยกระแสะวิทยุก็เห็นหุ่นยนต์มั้ยเช่นเครื่องบินโรนอะไรพวกนี้เราก็ใช้กระแสะวิทยุสั่งให้มันบินสั่งให้มันถ่ายภาพ มาให้เราดูใช่หไหมร่ า, างกายนี้ก็เป็นเหมือนดโดรนตัวหนึ่งแต่ใจเป็นผู้ควบคุมดโดรนอีกทีหนึ่งด้วยการใช้กระแสจิตควบคุมมีทั้งรับรับรับภาพมาแล้วก็มีทั้งมีคำสั่งให้ดโดรนนี้ทำอะไรต่างๆให้บินสูงบินต่ำให้ไปทางซ้ายไปทางขว า, า, าผู้ควบคุม ร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปก็เป็นเพียงแต่ร่างกายผู้ควบคุมไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยแต่ตอนนี้ผู้ควบคุมไม่รู้ความจริงอันนี้คิดว่าเป็นเป็นโดรนไปในเป็นตัวผู้ควบคุมกับโดรนเป็นตัวเดียวกันเหมือนกับคนที่ขับเครื่องบินนี้อยู่ในเครื่องบินลาเดียวกันเวลาเครื่องบินตกก็คนขับก็ตกด้วย แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่ควบคุมโดรนเวลาโดรนตกคนขับก็รู้ว่าคนที่ควบคุมก็ไม่ไม่ตื่นต้ไม่ตกใจใช่ไหเพราะว่าคนควบคุมก็ยังยืนอยู่อยู่กับที่เดิมอยู่แต่ตัวโดรนนี่อาจจะตกลไปแล้วก็ได้พังแล้วก็ได้เสียแล้วก็ได้ฉันใดใจกับร่างกายก็เหมือนกับผู้ควบคุมโดรนร่างกายเป็นเหมือนโดรนเป็นเหมือนหุ่นนะ แล้วใจก็เป็นผู้ควบคุมสั่งให้หุ่นนี้ไปทำอะไรต่างๆนี่เราต้องการรู้ความจริงอันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีเราทุกข์กันเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะเราคิดว่า เราจะตายไปกับมันเราจะแก่ไปกับมันเราจะเจ็บไปกับมันแต่ความจริงเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่กลัวร่างกายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเหมือนกับเราไม่กลัวว่าโดรนของเรามันจะพังไปใช่แต่เราซื้อโดรนมาใช้ถ้าเกิดมันตกมันเสียเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับโดนจันได้ใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนี่นะที่ให้ศึกษาให้ปฏิบัติเพื่อให้เราแยกร่างกายออกใจออกจากร่างกายให้ได้แล้วต่อไปเราจะได้ไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายตอนนี้เราหวั่นไหวใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายหรือเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ นักวิทยาศาสตรก์ก็ว่าเราเป็นสมองนี่ไห ม, มเราอยู่ในสมองสมองเป็นเราสมองสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสมองก็เป็นเหมือนกับคนขับรถหรือมันเหมือนกับคนขับเครื่องบินแต่ร่างกายเครื่องบินตกคนขับเครื่องบินก็ตกด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรสมองก็เป็นด้วยใช่ไหมตายไปด้วยกนันทั้งคู่แต่ความจริงไม่ใช่อันนี้เป็นความความหลงผิด ความที่ไม่รู้ความจริงเพราะความจริงนี้รู้ยากเพราะตัวเรานี่มันไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายตัวเราเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนเราจะเห็นตัวเราได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วร่างกายกับใจจะแยกออกจากกันร่างกายจะหายไปจากความรับรู้ของใจเหลือแต่ตัวใจตัวรู้ตัวเดียว แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่แหละคือตัวเราตัวเราออกมาจากตัวรู้นี่ออกมาตามตามความคิดแต่พอจิตสง บ, บจิตหยุดคิดบตัวเราก็หายไปด้วยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแล้วต่อไปเราก็จะได้สอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเป็นเป็นหุ่นที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจึงไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปวิตกกังวลไปหวาดกลัวเราก็ดูแลมันไปให้ดีที่สุดแต่ถ้าถึงเวลามันจะเป็นอะไรไปก็ปล่อยมันเป็นไปแล้วเราจะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีความหวาดกลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ นี่คือความจริงที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วได้ทรงแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วทรงปล่อยวางร่างกายได้แล้วไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วแต่พวกเรานี่ยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่เห็นยังไม่รู้จริงเพียงแต่รู้จากการได้ยินได้ฟังซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราต้องต้องรู้ก่อน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ยังจะคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันเราก็จะต้องทุกกับร่างกายไปตลอดเดวลาอันนี้เรามีโอกาสที่จะไม่ต้องทุกกับร่างกายแล้วแต่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเราต้องแยกร่างกายออกจากใจให้ได้วิธีที่จะแยกก็น้องมานั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกันพอใจสงบใจจะถอนกระแสะที่ส่งมา มามาติดกับร่างกายนี้จะถอนกลับไปถ้าเป็นโดนก็เหมือนกับปิดสัญญาณวิทยุพอคุณปิดสัญญาณวิทยุคุณก็ไม่สามารถควบคุมบังคับเครื่องนั้นได้ฉันใดพอคุณนั่งสมาธิใจถอนกลับเข้าไปสู่ฐานร่างกายก็นั่งอยู่เฉยใจก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มาสั่งให้มาทำอะไรไม่รับรู้อะไรจากร่างกาย ใจก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวถ้าเห็นอย่างนี้เนาะก็จะสามารถสอนใจนะว่าเฮ้ยร่า <Hey, S 1> งกายไม่ใช่ตัวเราเว้ยมันแค่เป็นหุ่นหุ่นยนต์หรือเป็นโดรนที่เราใช้ที่เราสั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆมันมีกล้องมีไมโครโฟนเห็นไหมกล้องก็เนียกล้องตานี่ก็เป็นกล้องหูก็เป็นไมโครโฟนลิ้นก็เป็นตัวรับรับโน้ต จมูกก็เป็นตัวรับกลิ่นส่วนร่างกายทั้งร่างกายก็เป็นตัวรับสัมผัสต่างๆหนาวเย็นแข็งแข็งนุ่ ม, มอันนี้คือร่างกายทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆส่งไปให้กับใจแล้วใจก็ไปสุกกับข้อมูลเหล่านี้สุขหรือทุกข์กับข้อมูลเหล่านี้เวลาเห็นภาพที่ชอบก็สุขเวลาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็ทุกข์ แต่เราสามารถทำใจให้ไม่สุขไม่ทุกข์กับภาพที่เห็นได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยๆให้รู้เฉย ๆ, ๆรับรู้เฉย ๆ, ๆมันเป็นเพียงภาพเหมือนดูหนังเวล า, เาดูหนังทรรมเราต้องไปตื่นเต้นกับหนังด้วยเพราะเราไม่มีสติเราปล่อยให้ใจเราไปไปกับเหตุการณ์ติดไปกับเหตุการณ์แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าให้เราเป็นเพียงคนดูเฉยๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่มาเกี่ยวกับเราเท่าหน่อยอย่างมากมันก็เกี่ยวกับร่างกายเช่นร่างกายไปอยู่ที่มีอันตรายอย่างมากร่างกายก็ตายหรือเจ็บตัวไปแต่คนดูนี่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บตัวไปกับร่างกายแต่คนดูไม่รู้ก็เลยไปตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกายไปดีใจไปเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกาย เราต้องมามาพิสูจน์มาแยกใจออกจากร่างกายแต่ถ้าเราแยกได้นี้เราจะได้สิ่งที่เราไม่มีใอนตอนนี้คือความสุขใจพอเรามีความสุขใจเราก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ตอนนี้เราไม่มีความสุขใจเราก็เลยต้องหาใช้ร่างกายเป็นตัวหาความสุขมาให้กับใจแทนเราก็เลยพึ่งร่างกายลักร่างกายหวงร่างกาย ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสุขใจเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ไดนะ้ปล่อยร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานี่ประโยชน์หลายอย่างจากการทําสมาธิทําสมาธิจะทําให้เราแยกกายออกจากใจได้แล้วจะทําให้เรามีความสุข โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายได้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มไปเล่นไปมีแฟนไปมีอะไรต่างๆเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจเราแล้วคือความสงบแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปแต่ไม่ได้ปล่อยแบบไม่ดูแลนะดูแลไป ดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าดูแลไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงถ <_ S 1> <ๆ>ึ่เวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันเหมือนกับหุ้นถ้ามันจะพังก็ปล่อยมันพังไปถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมมันไปถ้าพังไปยังอยากจะใช้หุ่นอยู่ก็ไปซื้อหุ่นใหม่มาแต่ถ้ามีความสุขใจแล้วก็ไม่อยากจะ ไม่ต้องใช้หุ่นแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอกับร่างกายตอนนี้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราไม่รู้เราพอเห็นร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่ใช่ไหมพอเห็นว่าร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราเจ็บพอเห็นร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายแต่ความจริงเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยกลับร่างกาย อันนี้เราต้องมาพิสูจน์เห็นให้ได้จต่พิสูจน์ได้ก็อยู่ที่การปฏิบัตินั่งสมาธิการจะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจยแยกออกจากกายได้ต้องมีสติต้องมีอะไรควบคุมความคิดไม่ให้คิดเช่นให้ใช้คำบรากรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะหยุดความคิดต่างๆแล้วใจก็จะสงบได้ถ้าเราไม่บริกรมพุทโธมันก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วก็นั่งต่อไปไม่ได้นะต้องลุกไปทาตามความอยากแต่ถ้ามีพุทโธพุทโธมันก็จะไม่คิดพอไม่คิดมันก็จะไม่อยากพอไม่อยากมันก็สงบมันก็สบายังนั้นก่อนจะมานั่งเราต้องหัดพุทโธก่อนถ้าเราพุทโธไม่เป็นนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งเดียวเดียวก็จะอึดอัดจะคันตรงนั้นจะปวดตรงนี้จะนั่นหน้าอกหน้าหน้าผา หน้าสีสะมีอาการต่างๆขึ้นมาถ้ายังนั่งแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องนั่งสวดมนต์ไปก่อยก็ได้สร้างสติขึ้นมาก่อนสวดเอทิบิโศร้อยจบไปสวดไปแล้วพอมันได้สติขึ้นมามันอาการต่างๆมันก็จะเบาลงอาการอึอดอัดอาการอะไรต่างๆมันอึดอัดเพราะมันอยากอยากจะไปทำอะไรต่างๆพอไม่ได้ทามันก็เลยรู้สึกอึอดอัด แต่พอเอาเราเอาจิตมามาสวดมนต์มันก็จะคลายความอึดอัดได้เพราะมันจะคลายความอยากได้พอมันหายอึดอัดแล้วเราก็นั่งพุโทโธต่อไปได้หรือนั่งดูลมหายใจต่อไปได้ถ้าเราดูลมหรือพุทโธไปไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจเราก็จะสงบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ต้องมีสติต้องพยายามหัดพุดโทโธกันหัดจเจริญสติกัน ถ้าไม่ใช้พุทโธก็ต้องใช้ร่างกายต้องคอยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาอย่าไปอยู่ที่อื่นให้อยู่กับร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับมันกําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันกําลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้ากําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่อย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นหยุดความคิด ด้วยการให้จดจอ่ออยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้าเราจดจอ่อได้เราไม่คิดอะไรเวลานั่งสมาธิเราก็ดูลมได้ดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆได้โดยไม่คิดอะไรพอดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็สงบจิตเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วก็แยกใจก็แยกออกจากร่างกายใจก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้น่างกายก็สามารถ ออกมาทางปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิมาก็สอนใจว่าอย่าไปเพิ่มร่างกายต่อไปอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข mm hmm. พอเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะใช้มันไม่ได้ mm hmm. เลิกใช้มัน mm hmm. ทุกครั้งที่อยากจะใช้ร่างกาย mm hmm. ก็เลิกใช้มัน mm hmm. อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็เลิกดูเลิกฟัง mm hmm. อยากจะไปเที่ยวก็เลิกไป mm hmm. นั่งสมาธิดีกว่า ทำใจให้สงบดีกว่าแล้วต่อไปเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้หมดแล้วเราก็จะสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> แล้วร่างกายตายไปเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่เพราะมีแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขความสุขได้จากร่างกายนี้เพียงนิดเดียว แต่ความทุกข์ที่ได้จากร่างกายมัน ม, ม, ม, มหาศาลมากกว่าหลายเท่าการไม่มีร่างกายสบายกว่าแบบพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านก็เลยไม่มีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายท่าแนบบเป็นมนุษย์ล่องหนนี่คือสิ่งที่ลองไปทำดูให้การบ้านไปทำดูด้วยว่าทำแล้วจะจะทำได้หรือเปล่า ทำได้แล้วจะจะมีความสุขมากจะมีความสบายใจมากอ้าวมาครับวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามร้อยสี่สิบค่ะตอนนี้สาสิบสามเออทัวนี้มโนมิวเข้ามาบ้างชานก็ไม่ได้เข้ามามีคําถามนัดที่ไหนบ้างอินบ็อกนีหรือเนล่า คำถามก่อนก็ได้คําถามจากอินบ็อกก่อนนะคะคํถาถามจากคุณเสาทองกลับเรียนท่านอาจารย์สุชาติอดิชาโตครับการออกไปข้างนอกเป็นการผิดศีลข้อไหนครับไม่ผิดหรอกเป็นมันเป็นกิเลสมันพาไปเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ผิดศีล น, นอกจากถ้าออกไปแล้วมันไปขโมยข้าว ข, ของเงินทองก็จะผิดศีลถ้าไม่ออกมันก็จะปลอดภัยกว่า ออกไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปทะเลาะกันไปตีกันไปฆ่ากันไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดไประเวณีมันก็จะไปทําบาปกันถ้าดึงมันไว้ข้างในได้มันก็ปลอดภัยคําถามจากคุณตุ๊กตาค่ะทาง facebook Live ถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วหาเห็บหมัดให้สุนัขเราจะบาปมากไหมค ะ, ะถ้าเราไปฆ่ามันก็บาปเห็บมัน ก, มนก็มันก็มีชีวิตมีดวงวิญญาณเหมือนเรา มันก็รักตัวกลัวตายมันนเรามันก็ไม่อยากตายเราก็จับมันออกแล้วไปปล่อยที่อื่นก็ได้ไม่เน้อไปฆ่ามันจับมันใส่๋องไว้ก่อนแต่แล้วก็ไปหาที่ไหนที่ทุ่งที่ที่ไกลไปปล่อยมันไปจับอะไรสัตว์ทั้งหลายอย่าไปฆ่ามันจับงูก็จับมันจับหนูจับอะไรก็จับมันไว้แล้วก็เอาไปปล่อยจับทุกคงทุกแก่ที่วัด ที่วัดเขาก็จับกันบางทีตุ๊กแกมันไปขี้มันไปตุกกต๊กแกตุ๊กแกมันเสียงเขาลำคาญเขาก็จับมันแล้วเขาก็เอาไปปล่อยไกลๆปล่อยใก ล, ๆ ล, ใกล้ๆไม่ได้นะมันกลับมันจาได้นะมันกลับมาได้คาถามจากคุณณพลความฝันที่จาได้เรียกว่านิมิตส่วนที่จาไม่ได้เรียกว่าฝันธรรมดาและมีความแตกต่างกับเดจาวูหรือเปล่าครับ มันมันเป็นเราแปลกันไปเองความฝันมันก็เป็นความฝันความคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรือคิดว่าเคยมาที่นี่เขาก็เรียกว่าเดจาวูท่นมาที่นี่บอกเอ๊ะเคยมาก็นเนอ่ก็ชาติก่อนอาจจะเป็นแมวอยู่แถวนี้หรือเป็นนกอยู่แถวนี้ก็ได้เหมือนก็พอมาเจอที่เติมมันก็จําได้ว่าเอ๊ะเราเคยมาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยที่ u, เดจาวูพ่อมันไม่รู้ว่าเรา ชาติก่อนเราอาจจะเคยมาในรูปแบบอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นหมาก็ได้อาจจะเป็นแมวหรือเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกก็ได้พอมันกลับมาที่เดิมมันก็จะคิดเอ๊ะเราเคยมาที่ตรงนี้นะคับคล้ายคลับงขา่าก็เรียกว่าเดจาวูส่วนความฝันก็คือเวลานอนหลับใจเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็เรียกว่าความฝันอ่ คำว่าคำฝันในภาษาพากเขาเรียกว่านิมิตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจภาพที่เกิดขึ้นในใจนี้เป็นนิมิตตัด้วยคำถามจากคุณผู้ทวนกระแสโลกคือนั่งสมาธิแล้วหนักตรงหน้าผากต้องทําอย่างไรคะตอนนี้อะอย่างที่เล่าให้ฟังมันไม่อยากนั่งเนี่ยกิเลสมันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังฟังเพลงพอให้มา น, นั่งเฉยเฉยมันก็เลยหนักที่หน้าผากเนี่ยเวลาที่ไม่ได้นั่งไม่หนักใช่ไหม เวลาที่ได้เที่ยวได้เล่นมันไม่หนั ก, อกพอเวลาที่มันถูกบังคับให้นั่งอยู่เฉยมันก็จะสร้างอาการหนักอกหนักใจหนักตรงนั้นหนักตรงนี้ขึ้นมาก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดยา ว, ยาวสวด น, นานสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกเบาแล้วจะหายแล้วต่อไปก็นั่งนั่งสมาธิต่อได้ หลังจากคุณเพชรชราพร อ, อ, อ, อยากถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิอย่างไรให้ได้นานๆเจ้าค่ะก็เนี่ยต้องมีสติไงต้องฝึกสติไว้ต้องพุโทโธไว้ทั้งวันเลยเแล้วพอมานั่งมันก็จะนั่งได้นานถ้านั่งไม่ได้นานก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์นานๆการสวดมนต์ก็เป็นทําสมาธิแบบหยาบๆไปก่อนออสวดมนต์ชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงไปเลยเนี่ยก็ถือว่าได้นั่งสมาธิแล้ว คำถามจากคุณสมศรีคนที่ไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าไปงานเลี้ยงตั้งรวมโต๊ะกับคนที่ดื่มจะมีกรรมร่วมหรือบาตร่วมหรือไม่ตัวคะไม่มีหรอกไม่มีกรรมใครกรรมมันใครกินก็คนนั้นก็ได้รับบาปไปคนไม่กินก็ไม่ได้รับบาปไปคําถามจาก facebook live คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อสมาธิลงจนเห็นตัวเองละลายเหลวลงกองกับพื้น จึงมองดูและบริกรรมพุทโธกลับมาเห็นน่างค่อยๆกลับมานั่งในท่าเดิมเลยทดลองนอนและภาวนาพุทโธพอสมาธิลงร่างกายเริ่มแห้งลงจนเหลือแต่กระดูกริ่มกลัวแต่แต่ตัวรู้บอกว่าให้มองดูแล้วแล้วปัญญาเกิดเจ้าค่ะวันหนึ่งเราก็ต้องตายแบบนี้จึงกลับมาบริกรรมพุทโธอีกครั้งเนื้อหนังก็เริ่มฟูกลับมาเส้นเลือดในร่างกายเริ่มสุกฉีด รู้สึกได้ใช้จิตมองดูร่างกายกลับมาอยู่ในท่านอนเหมือนเดิมคำถามคือการทำสมาธิจนเกิดสิ่งเหล่านี้ถูกต้องอหรือไม่คะแล้วขั้นต่อไปการเจริญสมาธิจะเป็นอย่างไรเจ้าคะการการเจริญสมาธินี้ไม่ต้องการให้เห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรต้องการให้จบจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขานี่ไม่ใช่เป็นวิธีทำสมาธิที่ถูกต้องถ้าทำที่ถูกต้องต้องไม่มีอะไรมาให้รับรู้ ถ้ามีก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปจนกว่าจิตจะสงบแล้วว่างเย็นสบายมีความสุขส่วนอยากจะเห็นอะไรนี้ไว้เห็นตอนที่ออกจากสมาธิมาด้วยความนึกคิดนึกถึงภาพซากศพนึกถึงอะไรต่างๆคำถามจากคุณโยมโจ้ถ้าผมหนีออกบวชจะบาปไหมครับไม่เป็นบุญจะตายไป การได้บวชเนดีที่สุดในโลกเป็นการกระทําที่ทําให้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะบาปตรงไหนคําถามจากคุณเลยวัดพุทธศาสนาศาสนิกชนนับถืออะไรจากพระพุทธเจ้าครับอ่านับถือพระพุทธเจ้ธรรมพระสงฆ์นับถือคําสอนนับถือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุปทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เอาทางนี้มาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากคุณแองเจลลีฟเพื่อนบ้านเสียงดังบ้านติดกันเสียงดังมากค่ะเราทำอะไรนิดหน่อยกระแทกตอบโต้มารากเก้าเสียงดังมาก ปิดประตูดังยามวิการเป็นผู้หญิงค่ะเราควรวางใจอย่างไรดีอย่างนี้เป็นกรรมหรือเปล่าคะจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าทำใจเฉยๆได้ก็ดีถ้าไปคุยกับเขาได้ไปบอกเขาขอร้องเขาว่าเสียงมันมารบกวนถ้าพูดได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าไปพูดถ้าทนเสียงไม่ได้ก็อเอาอะไรมาอุดหูไว้ก็แล้วกันทาเป็นหู หนกคำถามจากคุณธงการที่เรากําหนดทุกอริยบทเป็นการสร้างบุญหรือสมาธิหรือเจริญสติคะเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคําถามจากคุณพัชราถ้าเรากลัวจริงจกมากต้องให้คนจับไปปล่อยนอกบ้านถือว่าเบียดเบียนเขาหรือเป็นบาปไหมคะก็ ถ้าจะมันเรียกว่าไม่ไม่มีความเมตตาดีกว่าเขาก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเขาก็เลยมาขออาศัยอยู่บ้านเราถ้าเรามีความเมตตาก็ให้เขาอยู่ไปทําไมสัตว์ที่เรารักเราชอบให้มันอยู่ได้บางคนนี่ชอบหมาหมามาเลี้ยงเป็นลูกเลยก็มีจิ้งจกมันก็เป็นสัตว์เหมือนกันถ้ามันไม่ได้มาทําอะไรให้เป็นอันตรายกับเราก็ก็ถ้าปล่อยมันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไป จะดีกว่าเขาเรียกแผ่เมตตาไเนี่ยชอบไปแผ่เมตตาตอนที่นั่งไหว้พระส่วนมนต์ตอนนั้นยังไม่ได้แผ่นถ้าเวลานั่งไหว้พระสวนมนเราเห็นจริงจกก็แผ่เอออยู่ไปนะมึงไม่ต้องไปไหนนะยินดีต้อนรับอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาอยู่คนเดียวชอบสวดสัพเพสัตตาเวลาโหนตุเอ คือว่าแผ่เมตตามันไม่ได้แผ่มันสวดการสวดกับการแผ่มันไม่เหมือนกันการแผ่ต้องมีเหตุการณ์ต้องมีคนรับความเมตตาของเราเช่จนจริงจกตุ๊กแกมันต้องการความเมตตาจากเราเราก็ให้มันอยู่ไปสิถ้าดีเอาน้ำม า, าอะไรมาเลี้ยงมันด้วยยิ่งดี ชอบแผ่เมตตาแบบนั่งสมาธิเสร็จหนูจะแผ่เมตตาแล้วแผ่ให้ใครมาพอเจอตุ๊กปูงตุ๊กแกนี่จับมันไปไ ป, ปล่อยมดนี่แผ่ตร <c oughs> งไหนคำถามจากคุณพนมเนื้อด้วยนนองเปิดร้านอาหารตามสั่งพร้อมด้วยขายเครื่องดื่มมึนเมาแม่รอกให้ไปขายของช่วยแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้จะวางตัวเช่นใดครับขอคาชี้แนะด้วยครับ ก็ช่วยก็ช่วยเลยถ้าจะช่วยก็ช่วยถ้าไม่อยากจะช่วยก็ไม่ต้องช่วยถ้าไม่อยากจะขายสุราก็อยากไปช่วยเขา mm hmm. ก็บอกแม่บว่าหนูไม่อยากจะทำอาชีพนี้มันส่งเสริมให้คนมึนเมาแล้วพอคนเมาก็มาทุบตีคนอื่น mm hmm. ไม่ดี mm hmm. คนคนเดิมก็ไม่ดีเดิมแล้วก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางมีแต่ของไม่ดีนั้นเรื่องสุราเป็นเหมือนยาพิษพิษทาใจพิษทางร่างกายอยา่าขายดีกว่าขายข้าวดีกว่าเป็นประโยชน์<อ>ก็บอกแม่ไปก็ได้ถ้าไม่อยากไปทำก็ที่บ้ายให้ฟังว่าทำไมไม่ไปแต่ถ้าอยากจะถ้าอยากจะทำตามใจแม่ก็ก็ทำไป ต้องถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราเขาจะบาปหรือเปล่าคะเขาไม่ไม่ไม่บาปแต่เขาก็ไม่ไม่มีมุติตาจิดไงเขาอาจจะมีความโกรธเกลียดเราหรือมีความอิจฉาลิสยาเขาไปขัดขวางการปฏิบัติของเรามันก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรม ว่าก็มาทำกับเราเราเป็นคนมีธรรมะธรรมโมเราอาจจะไม่จองเวรจองกรรมกับเขาแต่ถ้าเขาไปทํากับคนอื่นเขาก็อาจจะถูกจองเวรจองกรรมกันได้ไปขัดขวางเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาขัดขวางเราคําถามจากคุณอนาคาวีการบริกรรมพุทโธกับการเพ่งกระสินให้ผลดีต่อสมาธิต่างกันหรือมากน้อยแค่ไหนเจ้าคะเหมือนกันอะวิธีไหนก็นได้ ถามจากคุณเต้อขอโอกาสพราอาจารย์อธิบายอาการของคันนิกะอุปจาระและอัปปนาสมาธิในแต่ละขั้นเป็นสภาวะอย่างไรครับกันนิกะก็คือจิตรวมสงบนิ่งแต่เดียวเดียวเหมือนนกกระจาะ ก, กินน้ำเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่ากันนิกะสมาธิถ้าตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจาระนี่ เข้าไปในอัปปนาแล้วถอยออกมาหน่อยหนึ่งไม่ไม่ถอยออกมาเต็มที่ไม่ได้ถอยออกมาที่ร่างกายถอยออกมาจากความสงบแล้วก็ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ไปพบกับเทวดาไปมีตาที่ผู้ที่ไปอ่านจิตใจของคนอื่นได้คนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่ก็คิดรับรู้ได้หรือเลิกชาตได้ น, นี่เป็นอุปจารสมาธิเป็นที่เกิดของอิทธิลิปปาทิหารทั้งหลายแต่เป็นสมาธิที่ไม่ดีไม่เอื้อเฟือต่อการเจริญวิปัสนาเพราะว่าอุปจารสมาธิจะไม่ให้ไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขอถ้าอุเบกขานี้จะมีความถ้าอปนาสมาธินี้จะมีความสุขแล้วก็จะมีอุเบกขา พอออกจากสมาธินี้มาจะมีกําลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาแต่ถ้าเป็นอุปจารสมาธินี้พอออกมาแล้วจะไม่มีอุบเบกขาไม่มีความสุขจะไม่มีกําลังสู้กับกิเลสตัณหาได้เปรียบเทียบเหมือนการเวลานอนหลับถ้านอนหลับไม่ฝันนี่มันจะนอนแล้วอิ่มตื่นขึ้นมาแล้วมันจะแล้วเสือกมีกําลังวางชาแต่ถ้านอนหลับแล้วฝันนี่บางทีตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อย ยิ่งถ้าไปฝันไม่ดีฝันร้ายนี่เออแตกเพื่อพากเลยตื่นขึ้นมานี่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง อ, อันนั้นอ่ะคือเหมือนกับอุปจาระสมาธิอาว่ามาอาจารย์แล้วเราเลือกได้ไหมคะว่าเราจะได้ถ้ า, า, ถ, าถ้ามันจะออกมาจากอุปจาระเราดันมันเข้าไปได้ใช้พุโทโธนึงเข้าไปได้ใช้สติแต่เราสั่งให้ไปอุปจาระไม่ได้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีนิสยัยทางอุปจาระมันจะไม่ไป พอมันสงบแล้วมันก็จะนิ่งแต่คนที่มีนิสัยมันจะไปถ้ามันจะไปเราก็ดึงมันกลับได้แต่เราดันมันไปไม่ได้แต่ดึงมันกลับได้คํถาถามจากคุณพุ่มเราจําเป็นต้องสวดมนต์ได้หลายบทหรือไม่หรือแค่สวดบทที่เราถนัดก็ได้คะโดยการสวดมนต์ก็เป็นการกล่อบใจให้ใจสงบนั่นเองถ้าเราอยากให้ใจสงบก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่ามันจะสงบ มันจะสบายถึงค่อยยหุคําถามจากคุณณรงศักดิ์ในการดําเนินชีวิตประจำวันอริยบทต่างๆเรากําหนดรู้ทันและปล่อยวางเป็นการเจริญสติใช่หรือไม่ครับแล้วในการดําเนินชีวิตประจำวันเราจะเจริญสติสมาธิได้ไหมครับโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าเราคอยกําหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ แต่มันจะไม่เป็นสมาธิมันจะไม่เป็นอัปปนาไม่เป็นคานิกะสมาธิจะให้เป็นสมาธินี้ต้องนั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปมันถึงจะเป็นสมาธิได้คำถามจากคุณธงอยากทราบว่าการที่เรามีลูกและครอบครัวคนเหล่านี้จะเรียกว่าเจ้าการในายเวรหรือเปล่าคะโดยเฉพาะสามีและลูกที่เรารู้สึกห่วงและผูกพัน ก็แล้วแต่ว่าเขาดีหรือชั่วกับเราไงถ้าเขาชั่วกับเราร้ายกับเราก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเราแต่ถ้าเขาดีกับเราเขาก็เป็นคู่กรรมของเราคู่บุญของเราคําถามจากคุณสุพนัทนั่งสมาธิสักพักแล้วสงบเหมือนสติจะแตกอารมณ์เหมือนจะจะทำแตกเป็นบ้า น, นะครับแก้อย่างไรครับก็ อ, อ, อย่าไ้นั่งเลยถ้าจะเป็นบ้าก็อย่าไปนั่ง แสดงว่าสติยังไม่มีกําลังพอสู้กิเลสไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนอย่าเพิ่งนั่งสวดมนต์ไปก่อนทําใจให้มีสติขึ้นมาก่อนให้มันสงบหน่อยแล้วค่อยนั่งใหม่คําถามจากคุณชนาครับโรคซึมเศร้าเกิดจากกรรมอะไรคะนั่งกรรมฐ า, านจะหายไหมคะโรคซึมเศร้ามันเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ซึมเศร้าขึ้นมา ก็นั่งสมาธิก็จะทำให้หายได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบพุทโธพุทโธไปพอใจสงบความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปพอหายแล้วความสื้เศร้าก็หายไปคำถามจากคุณสมชัยถ้าสุขภาพร่างกายไม่เอืออ้ออานวยมีโรคประจำตัว ต, ต่อการออกบวชหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านแต่เข้าใจว่าผลจะไม่เท่ากับที่ออกบวชใช่ไหมครับ แต่เราควรพอใจหรือมีความสันโดษในสิ่งที่เราได้ทำเต็มที่แล้วขอคำขอคำเมตตาชี้แนะจากการปฏิบัติหรือทำบุญอย่างไรขอให้ชาติชาติถ้าได้เกิดอีกขอได้บวชเป็นพระสุปปิปันโนก็พยายามปฏิบัติถ้าที่จะปฏิบัติได้ถ้าไปบวชไม่ได้ไปอยู่วัดไม่ได้ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปก่อน พยายามปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วชาติหน้าก็หรือไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้ชาตินี้อาจจะบรรลุก็ได้คำถามจากคุณธงเวลาเวลายมขับรถแล้วเห็นกระต่ายหรือสัตว์ที่โดนรถเหยียบตายยมแผ่เมตตาและอธิฐานให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาจะได้รับผลบุญที่เราแผ่ให้เขาหรือเปล่าแล้วคะไม่ได้รับหรอกอเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> คำถามจากคุณโจผมเคยนั่งสมาธิแล้วสงบมีความสุขพอลืมตาขึ้นมาได้ก็คิดว่ามีความสุขกว่ากินเหล้าสูบุหรี่ซะอีกหลังจากนั้นผมก็เลิกกินเหล้าไปเลยครับจากติดจากติดมานานแบบนี้ใช่วิปัสสนาหรือเปล่าครับก็วิปัสสนาระดับต่าำระดับสุราเห็นโทษของสุราเห็นคุณของสมาธิก็เลยเลิกดื่มสุรา หาวความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าก็เลิกสุราได้ก็ระดับสีเลิกเลิกดื่มสุราก็ต่อไปก็ไม่ทำผิดสีคำถามจากคุณคุณซาดีฉันชอบนำขนมไปแจกโรงทานที่วัดบ่อยๆทุกครั้งจะแผ่ส่วนกุศลให้แม่กับเพื่อนๆที่เสียชีวิตแล้ว ไม่ทราบว่าเขาจะได้รับผลบุญที่เราวันนี้ให้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าเขารอรับก็จะได้เหมือนกับขอทานถ้าเขารอรอมารอของแจกของเราพอเราแจกเขาเขาก็จะได้แต่ถ้าเขาไม่ได้มารอเขาอาจจะไม่จำเป็นเขาอาจจะมีมีบุญของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยไม่รอก็ได้เขาก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลาบาก เขาไม่ได้บุญของเราแสดงว่าเขามีบุญมากกว่าบุญที่เขาจะได้รับจากเราเขาก็เลยไม่ต้องมารอรับบุญจากพวกเราเพราะพวกเรามันวันดีคืนดีสามวันดี ส, นดสี่วันไข่บางวันก็ทำํำมะบางวันก็ไม่ทำเพราะถ้ามารอรับส่วนบุญมันที่เราไม่ทำเขาก็อดอยากขาดแคลนไว้ฉั้นต้องทําบุญใส่บาตรทุกวันถ้าอยากจะอุทิศบุญ ให้กับคนที่เราเคารพรับเผื่อถ้าเขารอรับบุญทุกวันเขาก็จะได้บุญไปคําถามจากคุณนาลงศักดิ์อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีวิ ธ, ธีทําให้เกิดสมาธิโดยไม่ต้องนั่งหลับตาทําสมาธิหรือเดินจงกรมไหมครับต้องนั่งสมาธิก็ดูพระพุทธรูปใช่ไหยฟางสมาธิท่านนั่งหลับตากันนั่งนั้นอ่ะมันต้องปิดทวารทั้งห้า ไม่ไม่ไม่สนใจให้ออกมาทางตาหูจมกูกนิ้งกายต้องดึงมันเข้าไปข้างในถ้าเปิดตามันก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆต้องปิดตาปิดตาแล้วส่วนหูปิดไม่ได้ก็ไม่อย่าไปฟังก็แล้วกันอย่าไปสนใจกับเสียงมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟังแล้วก็ใช้พุโทโธดึงเข้าไปหรือใช้นมหายใจดึงเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปข้างในเข้าไปรวมกันก็เรียกว่าจิตรวมจิตรวมก็เป็นสมาธิ ถ้ารวมนานก็เป็นอัปปนาถ้ารวมเหน๋ยวเดียวก็เรียกว่าคันกกนิกะคำถามจากคุณจีรานุชทำไมต้องคิดถึงแต่แฟนที่เสียไปคะทำยังไงไม่ให้ทุกข์คะก็เพราะเรารักเขาเราชอบเขาไงมันก็เลยคิดถึงเขาถ้าเราเกลียดเขาคงไม่คิดถึงเขาหรอก ค, ค, วออความดีมันมีหน้าตาเหรอ ทำอะไรให้เราเลยคำถามจากคุณสุขนัทคารว่าสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ไหมครับได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าใครก็บรรลุได้ข็ให้มีศีลสมาธิปัญญาให้ครบร้อยก็แล้วกันให้เต็มร้อยเหมือนเรียนหนังสือถ้าใครเรียนได้คะแนนเต็มก็จบได้ บางคนสมัยนี้เด็กบางคนอายุสิบสองขวบก็จบมหาลัยได้มันไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะสอบได้หรือเปล่าถ้าสอบได้ก็บรรลุได้การเป็นพระนพระอรหันต์ก็เป็นเหมือนการไปเข้าห้องสอบนบแล้ววิชาที่เราจะต้องมีความรู้ที่เราจะต้องมีก็คือศีลสมาธิปัญญา การามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะทำข้อสอบของผ้าอาหารหันได้คำถามจากคุณสังตินั่งสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วมือจะเบาและลอยขึ้นมาเองจะทำอย่างไรดีคะก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจเราอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายถ้าถ้าเป็นมีสติจริงจริงมือมันไม่ลอยหรอกมันไม่ควรจะลอยถ้าลอยนี่แสดงว่าไม่มีสตินะอือเดี๋ยวก็รำลุสิ พอลอยออกมาเดี๋ยวตอไปกับลำ<笑><笑>องนีแสดงว่าไม่มีสตินะะคนบางคนนั่งสมาธิกลายเป็นผีเจ้าเข้าทรงไปคําถามจากคุณตุลาการทําอย่างไรให้ความหุิทําอย่างไรให้ความหงุดหงิดในเวลาทํางานหายไปครับใช้พุทโธเวลาหงุดหงิดก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิด แล้วเดี๋ยวมันก็หายหงดหงิ ด, ยดอย่าไปอยากให้หายหงดหงิ ด, ย, ดยิ่งอยากยิ่งหงดหงิดใหญ่ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายหมดแล้วเหรอมี่ค่ะคำถามจากคุณเจศเรียนถามพระอาจารย์ว่าใส่บาตรพระสมวัตใกล้บ้านกับพระกรรมฐานบุญได้เท่ากันไหมคะบุญมันมีสองส่วนเนะมันอย่าไปเติมนะ้ำมันที่ปั๊มเนี่ยมันก็มี ได้สองอย่างได้น้ํามันกับได้ของแถมปั๊มบางปั๊มก็มีของแถมบางปั๊มก็ไม่มีบางปั๊มก็แถมของไม่เหมือนกันบางปั๊มก็ให้ลอตเตอรี่บางคั้บางปั๊มก็ให้ให้ผ้าเช็ดหน้าบางปั๊มก็ให้น้ําดื่มบางปั๊มก็ให้ยาสีฟันแล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้อะไรจากปั๊มนั้นนองจากน้ํามันน้ําทุกปั๊มก็มีน้ํามันเหมือนกันะ การทําบุญใส่บาตรกับภาพรูปไหนก็ได้บุญเหมือนกันบุญก็คือน้ํามันเหมือนกันแต่ของแถมที่พระจะให้เรานี้อยู่ที่เขาเขาพระก็มีอะไรจะให้เราบางรูปเขาก็มีตะกรุดให้บางรูปเขาก็มีเหรียญให้บางรูปเขาก็มียันให้บางรูปเขาก็มีหนังสือธรรมะให้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเป็นของแถมเราก็ไปไปเลือกเอ า, เอาแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละนี้ได้เท่ากัน เสี้อยหนึ่งกับทําบุญกับภาพบ้านกับทําบุญกับภาพป่าก็ได้ร้อยบาทเท่ากันได้ผลบุญร้อยบาทเท่ากันคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันแต่ของแถมที่พระเขาจะให้เรานี้ไม่เหมือนกั น, ถ, น, กนถ้าไปหาพระที่เขามีธรรมะเขาก็จะให้ธรรมะกับเราถ้าพระเขาไม่มีธรรมะเขามีตะกุดก็มีเหรียญ เขาก็ให้เหรียญให้ตะกุดให้ผ้ายันเราให้บางทีก็ให้ได้สายสินเราแล้วแต่เราอยากจะได้อะไรเราก็ไปเลือกทำที่นั่นบางคนมาทำบุญที่นี่แล้วขอได้สายสินไ่บอกไม่มีวันร้างเขาก็ไม่มาบางคนมาแล้วให้เศษให้เป่าที่นี่ไม่มีเขาก็ไม่มาเมือ่อวานนี้มีคนจะเอาพระท่านมาให้ก็ไม่เอาเดี๋ยววันร้ังเขาก็ไม่มา คำถามจากคุณเดลเมื่อเราฝึกสมาธิโดยดูลมหายใจเป็นประจำเมื่อเราฝึกจนเห็นจิตที่เกิดราคะกับโทสะเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นเราก็รู้ที่ใจอยากถามว่าเราควรทำอย่างไรต่อคะพระอาจารย์ก็ต้องดับมันให้ได้ทำลายมันไม่ให้มันเกิดวิธีจะทำลายราคะก็ต้องไปนั่งดูศพนั่งดูศพเพ่งดูศพนานๆจะต้องให้มันไม่ลืม ทุกครั้งมองเห็นใครก็คิดถึงศพเห็นดาราภาพปรยนต์เห็นนายแบบนางแบบก็คิดถึงเวลาเขาเป็นศพถ้าคิดถึงเขาเป็นศพแล้วมันก็จะมันก็จะดับการมาราคะได้คำถามจากคุณนภพลเคยพิจารณาอสุภะพอพิจารณาพอพิจารณาไปพิจารณามากลับกลายเป็นหลงของเน่าเหม็นของไม่สวยไม่งามใจรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังหลงอยู่จะแก้อ ย, อย่างไรครับ คขาว่าหลงหมายควาว่าไย่างรเขาบอกว่าคือจิตมันรู้ว่านี่คือของเน่าของเหม็นไม่สวยงามแต่มันหลงหนักหนักกว่าตอนที่พิจารณาได้ว่ามันเน่ามันเหม็นไม่สวยอืมไม่เข้าใจความหมายคําว่าหลงมันก็ต้องการให้มันดูมันเน่ามันไม่สวยมันจะได้ดับการอารมณ์เท่านั้นเองเขาอาจจะสื่อว่าถึงแม้จะเห็นของเน่าของเหม็นก็ยังจะชอบอีกเนี้ยอ่ะก็ไม่รู้จะทําไงแล้วถ้าชอบกินเคอะกินไป นกระแสะโลกถ้าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่เข้าวัดตักบาตรทำบุญได้ไหมคะได้แต่จะไม่ได้บุญเท่านั้นเองตายไปอาจจะไปเป็นเป็ดก็ได้ถ้ายังถ้ายังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติสมาธิหรือปัญญาก็ไม่มีบุญติดตัวไปก็ไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคำถามจากคุณลัดดา คุณแม่มีความฝังใจว่าถ้าลูกนั่งสมาธิจะตัดท้งโลกหมดทุกอย่างจะทําให้มีปัญหาครอบครัวจะมีวิธีอธิบายอย่างไรให้คุณแม่รู้สึกดีกับการนั่งสมาธิคะเกิการนั่งสมาธิมันไม่ต้องตัดครอบครัวต้องไม่ต้องทิ้งครอบครัวก็ได้ก็ไปเป็นชั่วคราวเช่นวันหยุดสามวันก็ไปครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปอยู่วันหรือถ้าไม่ไปไม่ได้ก็นั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ การนั่งสมาธิมันไม่จาเป็นจะต้องไปเสมอคนที่เขาอยากจะไปเพราะว่าเขาอยากจะนั่งมากๆนั่ง น, นานๆนั่งบ่อยๆนั่งตลอดเวลาเราก็ต้องไปอยู่วัดแต่ถ้าเรานั่งแค่เช้าชามเย็นชามแล้วก็นั่งที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปที่วัดคำ ถ, ถามจากคุณอนาคาวี เป็นคนสวดมนต์ไม่เก่งถ้ามุ่งให้ความสําคัญกับการฝึกสมาธิมากกว่าจะถือว่าบกพร่องในการปฏิบัติหรือไม่คะไม่หรอกท้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดที่ให้สวดเพราะยังนั่งไม่ได้เหมือนกับถ้าเรายังยืนไม่ได้ถ้าเรายังเดินไม่ได้เราต้องหัดยืนก่อนถ้าเรายังคานอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราลุกขึ้นมาเดินไม่ได้เราก็ต้องหัดยืนก่อนพอเรายืนได้แล้วเราค่อยไปหัดเดินต่อก็เหมือนกัน เวลาเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็เหมือนเรายังเดินไม่ได้เพราะเรายังยืนไม่ได้เราก็หัดยืนก่อนการหัดยืนก็คือให้เราสวดมนต์ไปก่อนแต่ถ้าเรายืนได้แล้วเรานั่งสมาธิได้แล้วเราก็ไม่ต้องสวดมันเป็นขั้นกันคําถามจากคุณจีรานุษย์ทำไมทําดีมาทั้งชีวิตแต่ทําไมชีวิตกลับมีแต่เรื่องทุกข์คะไม่เคยมีความสุขเลยแนใจเลยว่าทําดีมาทั้งชีวิต ไม่เคยทําไม่ดีเลยเหรอมนุษย์เรามักจะเข้าข้างตัวเองทําทําดีเท่าผงทุเรนี่มันกับเหมือนกับเท่ากองภูเขาแต่ทําผิดเท่ากองภูเขากับเห็นเป็นเหมือนผงทุเรนงั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราทําดีมาตลอดชีวิตแล้วไม่ได้รับผลดีคําถามจากคุณง โ, โยมทํางานเวลาได้เงินมาไม่เก็บ พพอเห็นคนอื่นเดือดร้อนยมก็ให้เขายืมไปหลายหมื่นหลายแสนส่วนใหญ่เขาไม่คืนแต่หนุ่มก็ไม่ทวงแล้วแต่เขาแต่เขาแต่ถ้าเขาไม่คืนแต่สามมีบน่นแต่ก็ไม่ห้ามมันเป็นการถูกกรรมกับคนที่เราให้ยืมเลยคะไม่เราเป็นการทำบุญนะเหมือนกับเป็นการใส่บาตเป็นเหมือนกับการเอาเงินไปถว า, ายวัด เราก็ให้คนที่เขายืมไปที่ว่าเป็นการทาบุญไปไม่เป็นกรรมกันเป็นการทาบุญคำถามจากคุณมณสวีขอความเมตตาอธิบายอุเบกขากับปล่อยวางค่ะเราจะใช้กับสถานการณ์ใดคะคืออุเบกขาปล่อยวางนี่มันเป็นทางด้านอารมณ์เกอไม่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง กับเหตุการณ์ต่างๆแต่เรายังสามารถปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆตามเหตุตามผลได้เช่นคนเขาด่าเราเราก็ไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาแต่เราก็ยังทำงานร่วมกับเขาได้เราต้องแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลเร า, านะเหตุผลถ้าเรายังต้องทำงานกับเขาก็เราก็ทำกันไปแต่เราจะไม่โกรธไปเกลียดเขาเขาอยากจะดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเราก็อยู่กับเขาได้ อะไรนะพักเลยะถามอีกหรือเปล่าคะพักสักก่อนก็แล้วกันได้หนึ่งชั่วโมงก็จะเออ่ให้ศีลเออ่ให้พรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ อ, อยะทาวาเบวาหาปุ ร, ปราปะริปุเรนติสากหลังเอวามวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติ อิจ um so ิต so ังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิจุติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายยสุขีทีขายุโกภะ อาภีวาทานสีริศะนิจังวุธาปจายิโนจตารโธรรมาวาัทานติอายุวันโอสุขังภาลังครับ อ, อ, อ, อ, อาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเรารักกิเลสครับแล้วก็าการที่เราปล่อยที่จะเข้ า, าสู่นิพพานหรือว่าการเป็นพระอรหันต์ ือเ่ไม่ไปการไปเรียนหนังสือนะความอยากไปเรียนหนังสือไม่ไม่เป็นกิเลสมันเป็นมันเป็นเป็นธรรมเป็นกุศลความอยากเที่ยวเป็นกิเลสอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนะี้เป็นกิเลสเพราะมันจะทําให้เราติดกับการเวียนว่ายกายเกิดแต่การอยากไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปนิพพานนี้เป็นการไปรักษาใจให้เราพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ไม่ถึงว่าเป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเหลื อ, อตอนนี้เหลือกี่คน299ร้อยเก้าสิบเก้ายแปเก้าส่เหลือเป็นทําทำไมคนเข้าไปน้อยไม่รู้นะเพราะว่ามันเข้ายากกว่าและได้ว่า youtube นี่ไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่เห็นเข้าได้เลยนะ เนื้อคนส่วนใหญ่เป็น f a เฟซ o ุ๊หมันก็เลยเข้าไปได้ง่ายเอ๊เวลาที่เขากดชอบนี่คนเดียวนี่กดได้กี่ครั้งหรือครั้งเดียวเนีถ้าตอนถ่ายเขากดกดล้วๆได้แต่ก็ขึ้นรอบเดียวได้แต่ที่ยอดที่เขาขึ้นว่าคนชอบกี่พันกี่หมื่นนี่นับเป็นคนเนือนับเป็นครั้งเป็นคนคนเก่าจะกดกี่ครั้งก็ก็ไม่ขึ้นละยอดไม่ขึ้นแล้วะถ้ามีมียอดคนชอบ80สิบ แปดร้ อ, อยคนก็แสดงว่าเป็นแปดร้อยคนไม่ใช่แปดร้อยครั้งไม่ใช่คนเดียวกดห้าสิบครั้งนี้น แ, แน่ใจเลยถ้าคนอีกทีก็จะเป็นอัไรเลยค่ะอันนี้ก็ขึ้นถึงแปดหมืนกว่าแล้วเนะ น, นี่ยนะแปดหมืนเจ็ดเกบแปดแแล้วมื่วันนี้น่าจะถึงนะแปดวมืน 8. แปดคนที่ติดตามสดก็สามร้อยสี่ร้อย แล้วคนที่ดูคลิปก็ห้าห้ากพันแล้วคนที่เข้าถึงก็สามสี่หมื่นลงมาเยอะนะเมื่อก่อนเป็นวันละแสนกว่าเป็นวิธีเขานับใหม่ใช่ไหมใช่งนั้นไอตัวนี้เลยไม่แน่นอนเป็นเป็นตัวเลขปลอมก็ได้ปลอมให้คนดูดีใจว่าโอ้ยมีคนเข้าถึงนงเยอะเยอะ อย่างนี้ก็เท่าที่ดูก็เข้าถึงประมาณสามหมื่นกว่าสี่หมืนแล้วก็รับชมประมาณห้าหกพันแล้วก็สดก็ดูสดก็ประมาณสามสี่ร<ๆ>้อยกระจาให้ผู้ที่ยาตยโยมที่ติดตามจะได้ทราบบ้างเขาเขาเห็นไหมยอดตรงนี้เห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นแค่ยอดไลค์อะค่ะยอดไลค์อย่างเดียวแต่เข้าถึงไม่ไม่เห็น รับชมก็ไม่เห็นรับชมเห็นค่ะเ ห, เห็นเห็นตัวถ่ายทอดสดเห็นนทั้งสองตัวเห็นทั้งสองตัวตัวที่ถ่ายทอดสดก็เห็นตัวที่ดูคลิปก็เห็นถ้าดูคลิปจะเป็นว่าดูกี่ครั้งะอะไรเงี้ยค่ะอถ้าถ่ายทอดสดก็จะเห็นยอดจํานวนคนดูอสดสดเลยอันนี้ก็ยัดขึ้นลงไปตา ม, อ, มอย่างอๆอย่างตอนนี้ถ้าดูในเฟซนี ของขคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ครัก็จะเห็นว่าสองร้อยแดสิบเ็ดคนแล้วจํานวนเพื่อนนี่ก็ให้มีได้แค่ห้าพันต่อใช่ไหมไปได้เรื่อยค่ไม่เต็มเต็มเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนหายไปนี่เป็นเพราะอะไรเขาเขาเขาเลิกเป็นเพื่อนนะหรือไงหรือไงหรือว่าเราเราเริกเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาเลิก็ได้้ถาเราเริกก็ได้เขาเลิกก็ได้อย่างนี้ เรามีคำถามเมองไหมเอาสักสิบห้านาทีถึงประมาณสักยี่สิบคำถามจากคุณวันพีชการกาหนดการกำหนดลมหายใจสามารถทำได้ทุกกิริยาไหมครับมันจะเหมาะต อ, ตอนนั่งดีกว่าจะได้ดูได้ชัดได้ง่ายกว่าถ้าเราเดินเราทำอะไรนี่มันดูยากกว่าก็ให้ดูร่างกายแทนเวลาที่เราไม่ได้นั่งก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทน แทนแทนที่จะดูการเคลื่อนไหวของลม ก, ก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอาบน้าําแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่พอร่างกายนั่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวก็ให้ดูลมหายใจแต่แล้วแต่นะถ้าสามารถดูลมหายใจได้ในทุกกิริยาบุตก็ดูไปก็ได้ ถามจากคุณจินดาทำบุญกับคนดีและคนไม่ดีจะได้บุญเท่ากันไหมครับคือบุญที่เกิดจากการเมตตานี่เท่ากันแต่ประโยชน์จากคนดีคนไม่ดีไม่เท่ากันทำทำบุญกับคนดีเขาก็ไปทําประโยชน์ต่อทําบุญกับคนไม่ดีเขาก็ไปทําทําโทษทําสิ่งที่เสียหายได้เช่นไปทําบุญกับโจรนี้ไปสนับสนุนโจรเดี๋ยวโจรมันก็ไปป้วนไปจี้ไปฆ่าคนได้ แต่ถ้าทําบุญกับคนดีคนเก็บศพคนอะไรพวกนี้เขาก็ไปทํางานไปช่วยเก็บศพไปช่วยอะไรต่างๆคําถามจากคุณสุภนัทถ้าปฏิบัติแล้วไม่หวังนิพพานในชาตินี้แต่ป่าถนาพุทธภูมิต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างกรอต่างตรงที่ว่ายังขี้เกียจปฏิบัติยังไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะรอไว้ซักไว้โอกาสหน้าก่อนพุทธภูมิก็คือ เหมอกับไปเรียนหนังสือแล้วว่าชาตินี้ไม่ขอเรียนให้จบก็เลยหนีโรงเรียนไม่เข้าเรียนมันก็เลยไม่จบไว้รอชาติหน้าค่อยมาจบไปคําถามจากคุณจิจณพเวลาหนูไปปฏิบัติธรรมมีคนเขาว่างมงายเขาจะบาปไหมคะไม่บาปเขาก็งโง่เท่านั้นเองแสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเขากลับเห็นว่าเป็นของงมงายไปแสดงว่าเขางโง่ไม่ใช่เขาฉลาด แต่เขาคิดว่าเขาฉลาดเพราะเขาคิดว่าคนคนที่ไปปฏิบัติเป็นคนโง่เป็นคนงมงายเี่ย <c oughs> เราไม่ดูพระพุทธเจ้าโง่หรือ ง, งมงายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมีคนกราบมาถึงสองหมื่ห้าร้อยกว่าปีกราบไหวบูชามเป็นสองหมื้าร้อยกว่าปีไ้เราคนฉลาดที่ไม่ปฏิบัติตายไปมีใครเขาสนใจมั้งมีใครเขารู้จักเราบ้างเปล่าอะไรอ่ะคำถามจากคุณนันทนา เราถวายเงินเป็นค่าปัจจัยสี่แต่ไม่ค่อยถวายวัตถุสิ่งของเช่นอาหารบางคนบอกว่าตายไปจะไม่ได้อาหารไม่มีเสื้อผ้าใสจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะไม่ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นเ ห, เหมือนกันของนี่ทดแทงกันได้มันเป็นบุญหมดไงถวายเงินก็เป็นบุญถวายข้าวของก็เป็นบุญเวลาตายไปนี่ใจทิพมันไม่ได้กินข้าวของเงินทองมันกินบุญยังถ้าเราทาบุญเราก็จะมีบุญติดตัวไป เราเอาเข้าวของเงินทองไปไม่ได้เราก็เลยต้องเอาเงินทองนี้ไปถวายวัดเพื่อเราจะได้บุญแล้วเราก็าบุญนี้ติดตัวไปงั้นบุญจะเกิดได้จากหลายรูปแบบถวายเงินก็ได้ถวายข้าวของก็ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจคำถามจากคุณยิปโซถ้าเห็นคนกำลังจะฆ่าสัตว์แต่เราไม่ห้ามหรือเราไม่ได้หรือเราไม่กล้าห้ามเราผิดไหมคะ ไม่ผิดอะไรในเรื่องของเขาอะ่ะเขาจะฆ่าหรือไม่ฆ่ามป็นเรื่องของเราถ้าเราห้ามได้ก็ดีมันจะได้ทําให้เขาไม่ต้องทําบาปแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนคนที่คนที่ทําบาปเท่านั้นแหะเป็นคนที่รับผลบาปคนที่ห้ามหรือไม่ห้ามนี้ไม่ได้อะไรวันละแล้วหายหมด ใหเวลาเราไม่หาก็ได้ได้หมดแล้วก็หมดเดี๋ยวจะได้อันนี้ก็ตอบคำถามเยอะแล้วเดี๋ยวจะต้องขอตัดคลิปช่วงนี้ไปคลิปภาษาไทยเพราะจะเข้าคลิปภาษาอังกฤษวันนี้จะมีคำถาม่างภาษาอังกฤษประมาณ2ี่สิบสองข้อใครอยากจะฝึกขัดภาษาอังกฤษก็ฟังต่อได้อ่ตัดไปเลย